เขรทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมโอสถคือเป็นยารักษาโรคโรคที่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ารักษาได้ก็คือโรคใจคือความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกทั้งหลาย ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถรักษาความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกได้นอกจากธรรมโอสถ์เท่านั้นยาต่างๆทั้งหลายในโลกนี้รักษาได้เพียงร่างกายเท่านั้นแต่ไม่สามารถมารักษาใจได้ ถ้าเราต้องการรักษาใจให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ทุกข์กับบุคคลต่างๆไม่ทุกข์กับลาบยศสรรเสริญไม่ทุกข์กับรูปเสียงกลิก่นรสผลธภะเราต้องใช้ธรรมโอสถเท่านั้นถึงจะรักษาโลกของความทุกข์ใจของเราให้หายขาดได้ ถ้าเราใช้ยาชนิดอื่นรักษาไปจนวันตายก็จะไม่มีวันที่จะรักษาให้ใจพ้นจากความทุกข์ได้มีธรรมโอสถคือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะสามารถรักษาใจของพวกเราให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ การจะรักษาใจขขงพวกเราก็เหมือนกับการรักษาร่างกายเราก็ต้องไปรับยาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวลาเราไม่สบายทางร่างกายเราก็ไปโรงพยาบาลไปคลินิกไปหาแพทย์ไปหาหมอแล้วก็ให้หมอวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคอะไร พอหมอเขารู้ว่าเป็นโรคอะไรหมอเขาก็ให้ยามาพอเราได้ยามาแล้วเราก็ต้องรับประทานยาตามที่หมอสัง่งเพราะว่าถ้าเราไม่รับประทานยาโยครคภัยไข้เจ็บของเราก็จะไม่หายต่อให้เป็นยาวิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ได้รับประทานยา ยาวิเศษนั้นก็จะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายได้เช่นเดียวกับการรักษาโรคของใจเราก็ต้องไปหาแพทย์ไปหาหมอเพื่อที่จะได้รับยาจากแพทย์จากหมอมาเราต้องไปหาแพทย์ทางทางด้านจิตใจ ถ้าทางด้านจิตใจก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เององค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ทำหน้าที่แทนกันได้ถ้าพบกับพระพุทธเจ้าก็เข้าหาพระพุทธเจ้าถ้าพบกับพระอริยสงสาวุกก็เข้าหาพระอริยสงสาบุกถ้าไม่พบกับพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวุก็พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่มีจดบันทึกไว้ในสื่อต่างๆเช่นในหนังสือในแผ่นซีดีเป็นต้นเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อที่เราจะได้รับธรรมโอสถจากท่านการรับธรรมโอสถจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการอ่านก็ดีด้วยการฟังก็ดีเช่นเราดูหนังสืออ่านหนังสือธรรมะต่างๆหรือเราฟังเทศฟังธรรมจะฟังสดก็ได้จะฟังธรรมที่ได้บันทึกไว้ก็ได้เป็นธรรมเหมือนกันฟังสดก็เป็นธรรมฟังฟังที่บันทึกไว้ ก็เป็นธรรมเหมือนกันเช่นวันนี้เราก็มีการฟังสดแล้วธรรมที่เราได้แสดงไว้ในวันนี้ก็จะได้มีการบันทึกเก็บไว้สำหรับเผื่อ ว, วันข้างหน้ า, าถ้าไม่ได้ฟังสดก็ยังสามารถที่จะฟังธรรมที่ได้บันทึกไว้ต่อได้ได้ประโยชน์เหมือนกัน เพราะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตรงไหนทำทุกคำพูดที่พูดอยู่ตอนนี้ก็จะถูกบันทึกไว้ทุกอย่างเหมือนกันหมดจะฟังวันเย็นนี้ก็ได้จะฟังพรุ่งนี้ก็ได้ก็เหมือนกับฟังตอนนี้เวลาเรานั่งฟังเราก็จะไม่รู้เวลาว่าเราฟังเวลาไหนเราก็จะไม่รู้ว่าเราฟังสดหรือไม่หรือไม่สดเพราะมันก็เป็นเหมือนกัน อันนี้เรียกว่าเป็นการรับยาจากาหมอจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตใจจิ ต, ตแพทย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องจิตศาสต ร, ร์เป็นจิตแพทย์เป็นผู้ที่สามารถรักษาโรคจิตโรคใจของพวกเราให้หายขาดได้ ยังไม่แปลกอะไรที่ในเมืองไทยเราไม่ค่อยจะมีจิตแพทย์เท่าไหร่เพราะว่าคือจิตแพทย์ที่ของทางโลกเขาที่เรียนจบปริญญาเรียนทาง เ, าเรียนทางแพทย์มาแล้วก็ไปศึกษาเฉพาะทางคือทางจิตจิตเวชจิตแพทย์จิตศาสตร์เนี่ยมีน้อยไม่เหมือนต่างประเทศอ่ ต่างประเทศนี้เขาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาก็เลยต้องอาศัยจิตแพทย์แต่จิตแพทย์ของเขาก็ตัวเขาเองเขายังรักษาตัวเขาให้หายทุกข์ไม่ได้เลยแล้วเขาจะไปรักษาคนไข้ให้หายทุกข์ได้อย่างไรเขาก็ลักษณะรักษาในลักษณะคนตาบอดสอนคนตาบอดนั่นเองะ รักษาแบบงูงูปลาเอาบางทีก็บางทีก็ถูกบางทีก็ผิดบางทีก็เป็นงูบางทีก็เป็นปลาเอบางทีก็หายบางทีก็กลับทุกเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะเขาไม่ได้เป็นจิตแพทย์ที่แท้จริงอจิตแพทย์ที่แท้จริงนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเพราะว่าพระพุทธ ถ้าจเจ้ากรดีพระอริยสงสาวกกดีท่านรักษาใจของท่านให้หายจากโรคทุโกโรคต่างๆความทุกข์ต่างๆภายในใจได้หมดแล้วนั่นเองท่านไม่มีความลังเลสงสัยถึงวิธีการที่จะรักษาใจให้หายจากความทุกข์ต่างๆเมือ ง, งไทยเราจึงไม่ค่อยมีจิตแพทย์ทางด้านของทางโลก แต่จะมีจิตแพทย์ของทางธรรมคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาคนไทยเราไม่สบายเวลาไม่สบายใจเวลาเราเครียดเราก็เข้าวัดกันเข้าไปฟังเทศฟังธรรมเข้าไปปฏิบัติธรรมกันก็เหมือนกับการไปโรงพยาบาลของจิตใจนี้เองวัดวาอารามต่างๆนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาล รักษาโลคของความทุกใจแต่วัดวาอารามนี้ก็มีหลายระดับบางระดับก็เป็นแบบคลินิกไม่ได้รับคนไข้อยู่ประจำบางโรงพยาบาลก็รับคนไข้แอดมิตคนไข้ให้อยู่รักษาวัดบางวัดก็เป็นวัดที่ ให้เข้าไปเพียงแต่ทาบุญทาทานฟังเทศฟังธรรมวัดบางวัดก็ให้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อก็มีหลายแบบด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บของคนไข้คนไข่าบางคนก็ยังไม่ต้องการที่จะ อ, อยู่โรงพยาบาลก็ไปแบบไปไปเช้าเย็นกับแต่ คนไข้บางคนก็อยากจะอยู่เพื่อรักษาให้หายขาดก็สุดแท้แต่ความต้องการของคนไข้ที่จะไปรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของทางจิตใจนี่คือการไปรับยาเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่ง ถ้ามีพระพุทธเจ้ายัางมีชีวิตอยู่ก็เข้าหาพระพุทธเจ้าเลยเราก็จะได้หมอหัวหน้าหมอเลยหมอเก่งที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเพราะท่านสามารถวินิจฉัยโรคของเราได้อย่างถูกต้องและรู้จักยาที่จะรักษาโรคของเราให้หายได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเป็นพระอารหันตสาวกเป็นพระอาริยสงสาวกระดับต่างๆท่านก็มีความสามารถต่างกันไปแต่จะไม่เก่งเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่ก็สามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของใจให้หายได้เหมือนกันเพียงแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะท่านไม่มีความ ชำนิชำนาญมีความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่บางทีสอนคนเพียงแต่พูดคำสองคำเขาก็บรรลุธรรมได้เลยภาษาวกนี้บางทีอาจจะต้องพูดมากหน่อยอธิบายมากหน่อยกว่าคนไข้จะเข้าใจและนำเอาไปปฏิบัติได้ แต่ก็สามารถรักษาได้เหมือนกันนี่เพียงแต่เปรียบเทียบความสามารถของพระพุทธเจ้ากับความสามารถของพระอรหันต์ตสาวกนี้ในเรื่องของการสั่งสอนในเรื่องการรักษาโรคใจของผู้อื่นนี้มีความแตกต่างกันมากพระพุทธเจ้านี้มีความสามารถมาก ทำให้ของยากนี้กลายเป็นของง่ายได้ทำให้เราเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้อันนี้เป็นความวิเศษความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้าแต่สมัยนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจาวลึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้ เป็นเป็นคนสอนเราต่อไปแต่ก็จะสู้รับฟังจากป่ากของพระพุทธเจ้าแบบสดสดร้อนๆอนไม่ได้เพราะว่าพระธรรมคำสอนนี้ไม่สามารถอ่านใจเราได้ไม่สามารถวิเคราะห์โลกภัยของเราได้ว่าเป็นอะไรมีมีอะไรเป็นสาเหตุถ้าเรา ต้องอ่านหนังสือธรรมะเราก็อาจจะต้องอ่านมากๆจนกว่าเราจะพบกับยาที่ถูกกับโลกของเราแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีคำสอนเลยอันนี้เป็นกรณีที่เราไม่มีพระพุทธเจ้าหรือเราไม่มีพระอรหันตสาวกมาสอนมาบอกเราเราก็ต้องอาศัยหนังสือต่างๆของพระพุทธเจ้าก็ดี ของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ดีเป็นหมอรักษาโรคภัยของเราต่อไปแต่จะยากกว่าการที่ได้มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอาหารหันตสาวกมาสั่งมาสอนมาบอกวิธีรักษาโรคใจของพวกเราโดยตรงนี่คือขั้นที่หนึ่งของการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บก็คือเราต้องศึกษา วิธีการรักษาว่ารักษาอย่างไรเราก็ต้องไปฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอาจาน์ตสาวกพอเราได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้จักวิธีรักษาโรคใจว่าให้ให้รักษาอย่างไรพอเราเอาคำสอนเอาวิธีที่รักษาโรคใจนี้มาปฏิบัติ ก็เหมือนกับการเราเอารับยามารับประทานนั่นเองเวลาเราไปหาหมอหมอก็ให้ยามาหลายชนิดด้วยกันแล้วก็มีเขียนกำกับไว้ที่ฉลากยาว่ารับประทานครั้งละหนึ่งเม็ดสองเม็ดก่อนลื่หลังอาหารและก่อนนอนเป็นต้นเนี่ยอันนี้จะเขียนบอกไว้ชัดเจนเวลาเราจะรับประทานยาเราจึงต้องดูฉลาก ถ้าเรารับประทานไม่ตรงกับฉลากก็อาจจะเกิดโทษหรืออาจจะไม่หายจากการรักษาก็ได้เพราะเราไม่ปฏิบัติตามวิการขั้นตอนของการรับประทานยาเช่นเดียวกับการรับคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วแต่เรา ไม่จำไม่ได้หรือจำแบบผิดผิดถูกถู ก, ถกจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแล้วพอเราไปปฏิบัติเราอาจจะปฏิบัติไม่ถูกก็ได้ดังั้นเราเวลาฟังเราจึงต้องตั้งใจฟังเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเราจะไม่สามารถจำได้ในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังว่าต้องทำอะไรบ้าง การฟังธรรมจึงต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่นิ่งที่สงบเพราะว่าถ้ากายวาจาใจไปทําอย่างอื่นก็จะไม่ได้ตั้งใจฟังนั่นเองอก็จะได้ฟังครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็ไปทํานู่นทํานี่ครึ่งหนึ่งใจก็จะแบ่งเป็นสองส่วน อ, อยู่กับการกระทําอยู่กับการพูดอยู่กับการคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ก็จะไม่ได้ยินได้ฟังหรือจะไม่เข้าใจธรรมที่ได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเราไม่พูดอะไรเราไม่คิดอะไรเราตั้งใจฟังเพียงอย่างเดียวธรรมที่เราได้ยินทุกบททุกบาทก็จะเข้าสู่ใจถ้าเข้าสู่ใจแล้วเราก็จะไม่ลืมเราก็จะจําได้การฟังเทศฟังธรรมจึงไม่จาเป็นที่จะต้อง คอยเอาบันทึกมาบันทึกกันไม่ต้องเอากระดาษบินสอมานั่งเขียนในขณะที่ฟังเพราะจะทำให้ไม่สามารถรับทำได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเพราะขณะที่ฟังและเขียนไปนี้ใจจะต้องอยู่ทั้งสองส่วนอยู่ส่วนที่เขียนส่วนที่เขียนนี่ก็เป็นอดีตไปแล้วส่วนที่เป็นปัจจุบันนี้ก็จะไม่ได้ยิน พ่อมือแต่เขียนอยู่ขณะที่พูดขณะที่ฟังก็ขณะที่เขียนไปแล้วฟังไปใจจะถ้าอยู่ที่เขียนก็จะไม่ได้ก็จะไม่ได้ยินส่วนที่กำลังได้กำลังพูดอยู่พอหยุดเขียนมาฟังมันก็เป็นมันก็ขาดตอนไปแล้วงนั้นถ้าจะให้ดีไม่ต้องบันทึกเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องบันทึกเสียง ถ้าเราฟังแล้วเราจำไม่ได้เพราะบางทีใจเราไม่นิ่งพอใจเราฟังแล้วเดี๋ยวก็อดไปคิดถึงคนนั้นไม่ได้คนนี้ไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้พอไปคิดถึงเรื่องอื่นทำที่เข้ามาในหูก็จะไม่เข้าไปในใจเราก็กลับมาทบทวนเปิดฟังใหม่ได้เนี่ยจึงไม่เป็นเรื่องแปลกอะไรที่เวลาเราฟังเทศซ้ำๆกันนี้เราจะรู้สึกว่า เอ๊ครั้งนั้นครั้งที่แล้วเราฟังไม่ได้ยินเรื่องนี้เนี่ยทำไมตอนนี้เราถึงได้ยินเรื่องนี้ก็แสดงว่าคราวที่แล้วขณะที่เราฟังพอถึงเรื่องนี้ใจเราไปคิดถึงเรื่องอื่นซะก่อนเรื่องนี้เลยไม่เข้ามาในใจมันเข้ามาในหูแล้วมันก็ออกไปเราก็เหมือนกับไม่ได้ฟังนั่นเองพอเรามาฟังใหม่คราวนี้เราพอมาถึงเรื่องนี้เรากาลังตั้งใจฟังอยู่พอดี เราไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นเราก็เลยได้ฟังเรื่องที่เราได้ฟังมาแล้วแต่เราไม่ได้รู้ว่าเราได้ฟังเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งใจฟังเราไปมัวคิดอยู่กับเรื่องอื่นแท น, นการฟังเทศอันเดิมกันเดียวกันนี้ฟังหลายๆโ ห, หนนี้จะได้ฟังจะได้อะไรแปลกปลกใหม่ๆเสมอพราะทุกครั้งที่เราฟังเทศฟังธรรมกันนี้ ใจของเราไม่นิ่งพอที่จะฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังแล้วบางทีก็เผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเวลาเผลอทำที่มาสัมผัสกับหูก็จะไม่เข้าไปในใจก็จะเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปก็เป็นเหมือนกับไม่ได้ฟังนั่นเองพอเรามาฟังครั้งต่อไปพอดีเป็นช่วงที่เราไม่เผลอเรากำลังตั้งใจฟังอยู่ เราก็เลยได้ฟังเหมือนกับได้ฟังของใหม่ของที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่คราวที่แล้วเราก็ได้ยินแต่ใจเราไม่ได้ตั้งใจฟังใจเรามัวไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยเหมือนกับไม่ได้ฟังไม่ได้ยินนี่คือเคล็ดลับของการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดผลเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเราต้องฟังด้วยกายที่นิ่ง วาจาที่นิ่งไม่พูดไม่คุยกันใจที่นิ่งใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆใจจดจ่ออยู่กับการฟังเพียงอย่างเดียวแล้วเราก็จะได้ทำเข้าไปในใจเราทั้งหมดแล้วถ้าเรามีอินทรีย์ที่แ ก, ก่กล้ามีสมาธิที่แ ก, ก่กล้ามีปัญญาที่แ ก, ก่กล้า เราก็อาจจะบรรลุธรรมได้ในขณะที่เราฟังธรรมกันเลยก็ได้ถ้าธรรมที่แสดงนั้นเป็นธรรมแท้อย่างในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้แสดงธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้เป็นธรรมแท้เป็นธรรมที่ออกมาจากการรู้จริงเห็นจริงแล้วพอสอนให้ผู้ฟังที่มีอินทรีย์ที่แก่ก้า มีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่จะรองรับธรรมของพระพุทธเจ้าได้ก็สามารถที่จะบรรลุได้เลยในขณะที่ฟังก็เหมือนกับรับยาปุ๊บก็กินยาต่อหน้าหมอเลยหมอให้ยามาก็เอาใส่ปากดื่มน้ำเข้าไปพอเข้าไปในร่างกายปั๊บเดียวหายจากโรคภัยไข้เจ็บเลยนี่คือ เรื่องของธรรมโอสถ์เป็นยารักษาโรคใจที่เราต้องไปรับจากแพทย์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายวาจาใจที่สงบไม่คิดไม่ทําอะไรไม่พูดอะไรฟังแต่ธรรมอย่างเดียวคิดกับเรื่องธรรมที่กําลังแสดงอยู่เพียงอย่างเดียว แล้วเราจะจำได้หมดถ้าทำเข้าไปในใจถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะไม่ลืมเราไม่ต้องไปจดให้เขียนให้เสียเวลาแต่ให้เราเขียนเวลาเรากลับมาอ่านบางทีเราก็งงว่าเอ้เราเขียนอะไรมีความหมายว่าอย่างไรเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องเราบันทึกไม่ได้อย่างต่อเนื่องพอมันขาดตอนหน่อยเราก็จะไม่เข้าใจทันที การฟังทำในภาคปฏิบัติเราจรึงไม่นิยมที่จะจดบันทึกกันในขณะที่ฟังแต่ถ้าเป็นการบันทึกด้วยเครื่องบันทึกเสียงนี้ทำได้เพราะมันไม่มารบกวนการฟังของเรารคนฟังก็ยังสามารถตั้งอยู่ในความสงบทางกายทางวาจาและทางใจได้ส่วนเครื่องบันทึกเสียงก็ปล่อยเข้าบันทึกไป เสียงทุกเสียงที่พูดออกมามันก็จะถูกบันทึกไว้หมดถ้าเราฟังตอนนี้แล้วเรายังฟังไม่ได้ครบท้วนเราก็สามารถย้อนหลังไปฟังใหม่ได้ฟังที่ได้ฟังธรรมที่ได้เก็บบันทึกไว้ต่อได้พอเราฟังแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเอาไปปฏิบัติคือเอายาไปรับประทาน ตามที่หมอสั่งให้รับประทานอยาที่พระพุทธเจ้ามอบให้เรานี้ก็มีสามชนิดด้วยกันอชนิดแรกเรียกว่าทานอชนิดที่สองเรียกว่าศีลอชนิดที่สามเรียกว่าภาวนาอตอนต้นท่านก็ให้รับประทานไปตามกําลังของพวกเราก่อนเช่นท่านก็ให้ทําทานตามกําลังศรัทธาของเราตามกําลัง ทรัพย์ของเราเราอาจจะเริ่มจากการทําบุญร้อยละสิบไปก่อนเช่นเรามีทรัพย์อยู่ร้อยหนึ่งเราก็แบ่งทำสักร้อยละสิบก็คือทําสักสิบบาทนี้แล้วเราก็รักษาศีลห้าไปก่อนถ้ายังห้ารักษาห้าไม่ได้ก็เอาสี่ไปก่อนสี่ไม่ได้ก็เอาสามไปก่อนรักษาไปตามกําลังความสามารถของเรา แล้วเราก็ภาวนาไปตามกำลังของเราไปมีกำลังมีเวลาที่จะภาวนาได้วันล ะ, ะเท่าไหร่ก็ภาวนาไปตอนต้นอาจจะภาวนาวันละครั้งสองครั้งครั้งละสิบห้านาทีก็ทำไปก่อนอแล้วค่อยขยับเพิ่มไปตามกำลังต่อไป พอเราทำทานสิบร้อยละสิบรักษาศีลร้อยละสิบภาวนาร้อยละสิบแล้วพอได้เราเห็นผลจากการาทำทานรักษาศีลภาวนาร้อยละสิบว่ารู้สึกทำให้ใจเราสงบขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงมันก็จะทำให้เราเพิ่มปริมาณยาขึ้นไปเอง ต่อไปเราก็เพิ่มจากร้อยละสิบเป็นร้อยละร้อยละยี่สิบได้จากร้อยละยี่สิบก็เป็นร้อยละสามสิบเพิ่มมันขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกครั้งที่เราเพิ่มผลที่เราได้รับจากการเพิ่มยาก็คือทําให้ความทุกข์วามในใจของเราน้อยลงไปเบาลงไปความสุขในใจมีเพิ่มมากขึ้นมันก็จะทําให้เรามีศรัทธามากขึ้น มีศรัทธาที่จะทำทานรักษาศีลภาวนาให้มากขึ้นจากร้อยละสิก็เป็นร้อยละยี่สิบเป็นสามสิบสี่สิบจนในที่สุดก็จะไปถึงร้อยเต็มร้อยได้พอเรามีศรัทธาร้อยเต็มร้อยนี้เราก็ทำทานได้หมดเลยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยก็ยกให้คนอื่นไปหมดเลยเพราะเราไม่ต้องใช้เงินทอง มารักษาความทุกข์ใจของเราแล้วเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เราจะได้มารับธรรมโอสถนี้พวกเราต้องอาศัยเงินทองเป็นยารักษาโรคใจของเราแต่มันเป็นการรักษาแบบชั่วคราวมันไม่รักษาให้หายขาดได้และนอกจากไม่ให้หายขาดแล้วยังบางทีทำให้โรค ก, กำเริบมากขึ้นทาให้มัน มีความทุกข์มากขึ้นไปเสียอีกถ้าเราใช้เงินทองเป็นวิธีรักษาความทุกข์ใจของเราเช่นเวลาเราทุกข์ใจเราก็ไปเที่ยวกันไปซื้อของตามความอยากกันไปทําอะไรตามความอยากกันด้วยการใช้เงินทองพอเราทําเราก็รู้สึกเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจแต่ก็เป็นความเบาใจสบายใจเดี๋ยวเดียว พอเรากลับมาบ้านความทุกข์ใจก็จะกลับคืนมาใหม่เราก็ต้องออกไปเที่ยวต่อไปทาอะไรตามความอยากต่อไปซื้ออะไรตามความอยากต่อแล้วพอเราเงินขาดขึ้นมาเราไม่สามารถใช้เงินรักษาความทุกข์ใจของเราได้ทีนี้เราก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมนี่ไม่ใช่เป็นวิธีรักษา โรคใจของพวกเราวิธีที่จะรักษาโรคใจด้วยเงินทองนี้ต้องเอาเงินทองนี้ไปทำบุญทําทานไม่เอาไปซื้อของตามความอยากไม่เอาไปใช้ตามความอยากเพราะการใช้เงินตามความอยากนี้เป็นเหมือนกับการซื้อยาเสพติดมารักษาโรคภัยไข้เจ็บรักษาไม่หายหรอกแล้วจะทำให้ติดยาขึ้นมาซื้ออีกวิธีที่จะรักษาให้หายต้องไปซื้อธรรมโอสะ ธรรมโอสฐก็คือการทำทานนี่คือเรื่องของศรัทธาพอเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราศรัทธาขึ้นมาว่าอ๋อต่อไปนี้เราต้องเอาเงินทองนี้มาทำบุญแทนที่จะเอาเงินทองนี้ไปทำตามความอยากต่างๆซึ่งอาจจะระงับความทุกข์ความไม่สบายใจได้แต่เป็นการระงับชั่วคราว แล้วทำให้เราติดอยู่กับการรักษาแบบนี้เวลาไม่สบายใจก็ต้องใช้เงินใช้ทองแต่บางทีถึงแม้เงินทองก็ไม่สามารถรักษาความทุกข์ใจไม่สบายใจได้หรือว่าถ้าใช้ได้ก็จะติดก็จะต้องใช้อยู่เรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วเงินทองก็จะต้องหมดพอหมดก็ทุกข์มากขึ้นไปอีกเพราะไม่สามารถที่จะ รักษาความทุกข์ใจได้แต่พอเรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้ได้ฟังวิธีใช้เงินรักษาโรคใจของความของเราคือให้เรามาซื้อธรรมโอสถกันเอามาทําทานกันพอเราได้ทําทานแล้วเราก็จะรู้สึกอิ่มใจสุขใจสบายใจแล้วก็จะทําให้เรามีความเมตตา ทำให้เราสามารถรักษาสีได้เมื่อก่อนนี้เรารักษาไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำบุญทาทานเรามัวแต่จะเอาเงินไปเที่ยวไปเล่นกันพอเงินหมดเราก็ต้องหาวิธีหาเงินแบบง่ายๆเร็วๆ เ, เราก็จะทำบาปกันแต่พอเรามาเอาเงินมาทำบุญทาทานกันเราก็เกิดความยิ่มใจสุขใจ และเกิดความเมตตาต่อบุคคลที่เราได้ไปช่วยเหลือในการด้วยการให้ทานของเรามันก็จะทำให้เรานี้จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะอยากช่วยเหลือผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นมีความสุขเราก็จะรักษาศีลได้เมื่อก่อนรักษาศีลไม่ได้เมื่อก่อนไม่ได้ทำทานรักษาศีลไม่ได้เพราะอยากจะได้เงินเยอะ แต่ได้เอาไปซื้อเอาไปเที่ยวกันมากๆนานๆบ่อยๆแต่พอเรามาทาบุญทาทางความอยากใช้เงินไปเที่ยวนี้มันก็จะถูกมังับไปความอิ่มใจสุขใจพอใจก็จะเกิดขึ้นมาความเมตตาก็จะเกิดขึ้นมาก็จะทำให้เราสามารถรักษาสีนได้โดยที่เราไม่คาดวันมาก่อน เมื่อก่อนเราคิดว่ารักษาศีลห้านี้มันยากแสนยากแต่พอเรามาทำบุญทาทานไปไม่นานใจเราก็จะมีเมตตาเพิ่มขึ้นไปตามลำดับแล้วจะทำให้เรารักษาศีลห้าได้อันนี้ก็จะทำให้เรามีศรัทธาที่อยากจะทำทานมากขึ้นแล้วถ้าเรามีศีลเวลาเราภาวนาใจก็จะสงบง่ายกว่า ขณะที่ใจไม่มีสีเวลาไม่มีสีนี้ใจจะวิตกกังวลจะหวาดระแวงหวาดกลัวไปต่างๆนานาจะทำให้การทำใจให้สงบนี้ยากแต่พอเรามาทำทานล้วเรามารักษาสีนได้ใจก็จะนิ่งนิ่งกว่าตอนที่ไม่มีสีนิ่งกว่าตอนที่ไม่ได้ทำบุญทาทานก็จะทำให้การนั่งสมาธินี้นั่งได้และได้ผล พอเราได้ผลจากการนั่งสมาธิจากการภาวนาเราก็จะเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเพราะผลที่ได้รับจากการภาวนานี้เป็นความสุขที่ดีกว่าการดีกว่าความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองไปเที่ยวไปซื้ออะไรตามความอยากต่างๆอันนี้ก็เลยจะทำให้มีศรัทธาที่อยากจะทำทานมากขึ้นไปเองโดยอัตโนมัติ เราก็จะขยับไปเรื่อยๆทําทานน้อยละสิบก็เป็นน้อยละยี่สิบรักษาศีลจากศีลห้าก็จะรักษาศีลแปดได้แล้วพอรักษาศีลแปดได้เราก็จะมีเวลามาภาวนามากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะภาวนาได้แค่วันละครั้งสองครั้งครั้งละสิบห้ายี่สิบนาทีต่อไปเราก็เพิ่มเป็นสามสิบเป็นชั่วโมงได้ต่อไปจากครั้งสองครั้งก็จะเป็น หลายหลายครั้งขึ้นมาก็ได้จนในที่สุดก็อาจจะใช้เวลาวันใดวันหนึ่งในวันหยุดนี้มาภาวนาได้ทั้งวันเลยภาวนาได้ทั้งวันเพราะเราเห็นคุณค่าของการภาวนาของการทำใจให้สงบว่ามันดับความทุกข์ได้จริงจริงและทำให้เรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการไปทาตามความอยากต่างๆไปซื้อข้าวซื้อของตามความอยากต่างๆ ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสู้กับความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ได้ก็จะทำให้เราอยากจะปฏิบัติมากขึ้นไปเองตอนต้นก็อาจจะปฏิบัติในวันหยุดวันทหยุดวันทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์หรือต่อไปถ้ามีวันหยุดยาวเช่นหยุดสามวันหยุดห้าวันก็จะไปปฏิบัติ แล้วต่อไปก็อาจจะลดเวลาการทํางานให้น้อยลงไปเพื่อจะได้มีเวลามาปฏิบัติมากขึ้นไปการปฏิบัติก็เหมือนการรับประทานยาถ้ารับประทานยาได้มากเข้าไปเท่าไหร่โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายได้เร็วมากขึ้นไปเท่านั้นแต่ตอนต้นเราไม่มีกําลังที่จะกินยาได้แบงมากมากเราก็ต้องกินไปตามกําลังของเราก่อนทําทานไปตามกําลังของเรา นักษาศีลไปตามกําลังภาวนาไปตามกําลังไปก่อนแล้วพอเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นได้รับผลจากการารับประทานยาได้มากขึ้นก็จะอยากจะรับประทานมากขึ้นไปเองต่อไปเราก็จะรับประทานยาได้เต็มร้อยคือเราก็จะทำทานอย่างเต็มร้อยยุติการรรมาหากินหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทอง แล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชหรือไปบวชเลยจากศีลห้าก็ไปถือศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดเพื่อที่จะได้มีเวลาได้ภาวนาตลอดวันตลอดคืนยกเว้นเวลาหลับนอนเท่านั้นที่เราจะไม่ได้ภาวนาพอเราเข้าสู่ถึงขั้นนั้นแล้วรับรองได้ว่าไม่นานพระพุทธเจ้ารับรองเลยว่าสำหรับบางคนถ้ามีอินทรีย์ที่แก่ก็ ก็จะสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆได้ภายใน7วันเลยถ้ามีอินรีที่ไม่แก่ก็ก็อาจจะเจเดือนหรือถ้ามีอินรีที่อ่อนมากก็7ปีเป็นอย่างมากก็จะสามารถที่จะรักษาโรคใจให้หายขาดได้ดับความทุกข์ภายในใจต่างๆให้หมดไปได้ต้องดับด้วยการปฏิบัติ ได้ต้องดับด้วยการศึกษาเหมือนกับการรักษาร่างกายต้องดับความโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายด้วยการไปหาหมอแล้วก็ฟังหมอเชื่อฟังหมอหมอสั่งให้กินยาก็ต้องกินตามที่หมอสั่งตอกินยาแล้วเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปการรักษาโรคใจก็เหมือนกันเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่เป็นหมอทางด้านรักษาโรคใจกันพอหมอสั่งให้ทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาเราก็ต้องทำทานต้องรักษาศีลต้องภาวนาตอนต้นก็ทำไปตามกําลังเท่าที่เราจะทำได้เราทำทานได้เท่าไหร่ตอนนี้ทำไปรักษาศีลได้เท่าไหร่รักษาไปภาวนาได้เท่าไหร่ภาวนาไป แล้วพอทําแล้วเดี๋ยวผลก็จะเกิดขึ้นมาพอภาวนาใจสงบก็จะเกิดศรัท ธ, ธาเพิ่มมากขึ้นก็จะทําทานมากขึ้นนักษาศีลมากขึ้นภาวนามากขึ้นไปตามลําดับเองดาบใดที่มีการปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องรับรองได้ว่าการปฏิบัติจะต้องคืบหน้าไปตามลําดับอย่างแน่นอนแต่ถ้าหยุดเมื่อไหร่ การคืบหน้าก็จะต้องหยุดทันทีเหมือนกับการเดินทางถ้าเราขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เข้าใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเข้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดรถมันเสียยางแตกเนี่ยก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางจะไปได้ก็ต่อเมื่อเราซ่อมรถเปลี่ยนยางแล้วก็ขับรถต่อไปการปฏิบัติก็อย่างนั้นถ้าปฏิบัติแล้ว ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็สแสดงว่าเราหยุดเดินทางการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เราก็จะติดอยู่ตรงจุดนั้นถ้าอยากจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเราก็ต้องแก้อุปสรรคที่มาขวางกั้นเราถ้ายางแตกรถยางแตกเราก็ต้องเปลี่ยนยางถ้ารถเสีย เครื่องเสียก็ต้องไปตามช่างมาดูว่ามันเป็นอะไรมันน้ํามันหมดหรือว่าน้ําหมดหรืออะไรชารุดสายอะไรขาดหรือเปล่าให้ช่างมาดูเดี๋ยวพอช่างเขาจําตรวจดูแล้วเขารู้ว่าเป็นอะไรเขาก็รักษารถให้พอรักษาได้รถก็จะวิ่งต่อไปได้ การปฏิบัติของเราบางเวลาก็อาจจะมีเหตุการณ์ทำให้เราต้องหยุดชะงักในการปฏิบัติไปถ้าเราอยากจะปฏิบัติเราก็ต้องหาวิธีที่จะกำจัดอุปสรรคที่ทำให้เราติดอยู่เราก็ต้องทำเหมือนกับการซ่อมรถยนต์ถ้ายางแตกก็ต้องเปลี่ยนยางถ้าเครื่องเสียก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหรือซ่อมเครื่องเพื่อให้มันวิ่งได้เราต้องอยาทิ้งเป้าหมาย ของเราก็คือการปฏิบัติเหมือนกับการเดินทางเราจะไม่ทิ้งเป้าหมายของการเดินทางตราบใดที่เรายัางเดินทางไม่ถึงจุดหมายปลายทางนี้เรายัางจะต้องเดินทางต่อไปเพราะถ้าเราไม่เดินทางต่อไปเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนั่นเองดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเราก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับนะ ถ้าเราปฏิบัติไม่เพิ่มขึ้นไปมันก็จะเหมือนกับเดินวิ่งอยู่กับที่เช่นเดียวกันมันจะไปไม่มันไม่ไปไกลกว่าที่มันไปได้ถ้าปฏิบัติร้อยละสิบมันก็จะได้ผลแค่ร้อยละสิบถ้าปฏิบัติร้อยละห้าสิบมันก็จะได้ผลร้อยละห้าสิบถ้าปฏิบัติเต็มร้อยมันก็จะได้ผลเต็มร้อยอยู่ที่การปฏิบัติมรรคผลนิพพาน การหลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นต่างๆนี้ต้องอาศัยการปฏิบัติทานศีลภาวนาการปฏิบัติมันก็จะทำให้เราขยับขึ้นไปตอนต้นเราก็ทำทานมากหน่อยเราก็ทำไปเรื่อยๆแต่ทานนี้จะมีจุดอิ่มตัวพอเราทำทานได้เต็มร้อยแล้วเราก็เลิกทำทานได้แล้วเช่นเราไปบวชนี้เราก็ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องการ ไปหาเงินหาทองมาทําบุญทําทานแล้วเราหมดหน้าที่ในการที่จะต้องทําทานแล้วเราหน้าที่หลักของเราตอนนี้กลายเป็นหน้าที่ภาวนาไ ป, ว n. ไปแล้วตอนเริ่มต้นหน้าที่หลักอาจจะเป็นการทําทานเพราะมันทําง่ายกว่าการภาวนาเราก็อาจจะทําทานมากกว่าการภาวนาแต่ต่อไปพอเราภาวนาเป็นแล้วเราทนานาในการภาวนาและเห็นคุณค่าของการภาวนาว่ามันมี ประโยชน์มากกว่าการทําทานเราก็จะทุ่มไปให้ใหกับการภาวนามากขึ้นไปทานเราก็ ท, ทําทีเดียวให้มันหมดไปเลยหมดเรื่องหมดราวมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ยกให้คนอื่นไปเลยแล้วก็ไปบวชกันอย่างสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เป็นสิทธิ์ของหนวงปู่มั่นเนี่ยพระอาจารย์พรมตอนที่ท่านเป็นคารวะท่านก็ มีศรัทธาที่อยากจะออกบวชกันทั้งสามีทั้งภรรยาท่านก็ไม่มีลูกไม่มีเต้าท่านก็เลยประกาศบอกชาวบ้านว่าใครต้องการทรัพย์สมบัติข้าวของเ ง, งินทองต่างๆใครมาขอรับไปได้ใครอยากจะได้วัวได้ควายก็มาเอาไปใครอยากจะได้เกวียนก็มาเอาไปใครอยากจะได้บ้านก็เอาไปใครอยากจะได้ที่ดินก็เอาไปท่านยกให้เขาหมดเลยท่านไม่ต้องการอะไรเลยนี่คือวิธีการทําทาน ของผู้ที่อยากจะออกไปบำเพ็ญจิตตภาวนาอย่างเต็มร้อยต้องตัดมันให้ขาดไปจากใจไปเลยจะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับมันเพราะห้าไม่เงี้ยเช่นนั้นมันก็จะเป็นเหมือนเรือที่ไม่ถอนสมอเวลานั่งเรือเวลาจะให้เรือออกออกไปไหนให้มันวิ่งไปไหนมาไหนได้ให้มันดั่นไปไหนได้นี้ต้องถอนสมอเรือถ้าไม่ถอนสมอเรือมันไม่ไปสมอมันจะดึงเรือเอาไว้ ชั้นใดถ้าเราอยากจะไปภาวนาไปสู่มรรคผลนิพพานี่เราต้องสละสทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองไปให้หมดอย่างพระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัตินแล้วก็ออกบวชไปอยู่แบบนักบวชไปอยู่เป็นนักบวชไปเป็นนักบวชไปบวชนี่แล้วก็จะได้บําเพ็ญอย่างเต็มที่ได้ภาวนาได้สมถะภาวนาอย่างเต็มที่ได้วิปัสสนาภาวนาอย่างเต็มที่ พอได้ภาวนาอย่างเต็มที่มักผลนิพพานก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโครคภัยไข้เจ็บเคือความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็หายหมดสิ้นไปแล้วก็เลยได้กลายมาเป็นหมอสั่งสอนเป็นอาจารย์สั่งสอนผู้อื่นให้รักษาโรคใจต่อไปวันๆอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอะไร น, ะนอกจาการักษาคนไข้ทางโรคจิตใจ ตอนบ่ายก็รักษ า, าจิตใจของญาติโยมตอนค่ำก็รักษาโลกจิตใจของพระเนองตอนเด็กก็รักษาโลกของเทวดาโลกจิตใจของเทวดาเทวดานี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสวรรค์ก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่เองแต่ว่ามันทุกน้อยกว่าตอนที่อยู่ในโลกมนุษย์นี่เทวดานี้มีความสุขมากกว่ามนุษย์พรมก็มีความสุขมากกว่าเทวดา พระอริยบุคคลขั้นต่างๆก็มีความสุขมากกว่าขั้นของเทวดาขั้นของพรมาหมพระอรหันนี้ก็จะมีความสุขเต็มร้อยเต็มที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีหลังจากที่ได้ทรงตัดสรัรูได้ทรงรักษาโรคใจของพระ อ, องค์ให้หายขาดแล้วพระ อ, องค์ก็ทา พระองก็ปลปอยคลินิกรับรับรักษาคนไข้แล้วก็ไม่เก็บสตางค์ด้วยรักษาให้ฟรีใครมีศรัทธาก็เข้ามารักษากันได้มีกำหนดเวลาตอนบ่ายก็ให้คารวาดญาติโยมารักษากันตอนค่ำก็ให้พาภิกษุสมัมมเนยตอนดึกก็ให้เทวดา นณตอนเช้าตอนก่อนที่ออกจะบินสบายก็ยังทรงเลงยานหรือว่ามีคนไข้คนไหนที่มาที่คลินิกไม่ได้ก็จะไปไปปวดที่บ้านเลยไปรักษาให้ที่บ้านเลยนี่คือความเมตตาของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อสัตว์โลกพระองค์ไม่ได้เอาอะไรจากพวกเราเลยแม้แต่บาทเดียวพระองค์ไม่ต้องการอะไรจากพวกเราเลย แม้ว่าเราจะบูชาท่านด้วยเพชรนินจินดาด้วยข้าวของเงินทองด้วยการสร้างวัดวาอารามต่างๆถวายให้กับพระพุทธเจ้าเนี่พระพุทธเจ้าก็รับไว้ตามมารยาทเท่านั้นเองแต่ท่านไม่รู้จะเอาไปทําอะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านแต่มันมีประโยชน์กับพวกที่ยังไม่ได้ดุดพ้นเพราะเป็นเหมือนกับการสร้างโรงพยาบาลสร้างหมอนี่เอง การที่เราสร้างวัดสร้างวาการที่เราสนับสนุนการศึกษาการปฏิบัติครับของพระสงฆ์องค์เจ้านี้เป็นเหมือนกับการสร้างโรงเรียนรักษาโาครคภัยไข้เจ็บสร้างโรงพยาบาลรักษาโาครคภัยไข้เจ็บสร้างหมอสร้างพยาบาลมารักษาโาครคภัยไข้เจ็บทางโลกของจิตใจแต่สําหรับพระพุทธเจ้าเองหรือของพระอนันตสาวกเองนี้ท่านไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการ ถวายข้าวของเงินทองต่างๆเหล่านี้เลยเพราะใจของท่านนี้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแล้วท่านไม่ต้องมีเงินทองของพวกเราท่านก็รวยแสนรวยอยู่แล้วท่านไม่เดือดร้อนเราจะถวายหรือไม่ถวายแต่การถวายนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเราเพราะมันเป็นการทาทานนั่นเองเป็นการรักษาโลกใจของพวกเรา ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้รับประโยชน์แต่เราก็ต้องทําเพราะเราจะได้รับประโยชน์เพราะถ้าเราไม่ทําเราก็จะไม่สามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆของเราให้หายไปได้โรคโรคภัยทางด้านจิตใจนี่คือเรื่องของธรรมโอษฐ์ยารักษาโรคใจที่ไม่มียาชนิดไหนในโลกนี้ที่จะสามารถรักษาได้นอกจากยาของ พระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําสอนมีพระอริยสง์สาวกเป็นผู้จ่ายยาให้แก่พวกเราถ้าเข้าเราถ้าพวกเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เท่ากับการที่เราเข้ามารับยาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเรารับยาแล้วเรานำเอาไปรับประทานโรคภัยแค่เจ็บของจิตใจก็จะหายหมดไป ดังนั้นหลังจากที่เราฟังเทศฟังธรรมกันแล้วเราก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับการรับยาไปแล้วไม่ไปรับประทานยานั่นก็จะไม่เป็นประโยชน์กับเราเราต้องเอาทำที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติต่อพอเราปฏิบัติแล้วความทุกข์ใจต่างๆก็จะหมดไปตามลําดับอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านใดอยากจะถามปัญหาถามได้ในช่วงนี้เลยนะเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมเราจะของดตอบคำถามต่างๆใคอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ตอนนี้ขึ้นมาถามบนนี้มีไมโครโฟน แล้วก็เดี๋ยวเราปั๊บก็ได้ให้ทางนี้ถามให้เสร็จก่อนนะให้อเดี๋ยวรอ เ, เ, เดี๋ยวนะให้เอาคําถามทางบ้านมาถามก่อนเพราะเหนียมันต้องเอาขนไมาครโฟนกลับไปกลับมามันจะไม่สะดวกเะนั้นเอาให้พิธีกรนะําเอาคําถามที่ทางบ้านปากถามเข้ามาก่อนคําถามจากทางบ้านจากคุณอลงกรณ หลายคนไม่ทราบจริงๆครับว่าการอธิษฐานหมายถึงอะไรครับอธิษฐานตามหลักของทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้หมายความว่าการตั้งใจการตั้งเป้าหมายของการกระทําของเราไม่ใช่เป็นการขอการขอนี้เป็นคําหมายของทางโลก ที่พวกเราเอามาใช้โดยอาศัยเอาคำอธิษฐานนี่มาแปลงความหมายเราก็ได้คิดว่าอธิษฐานคือการขอขอลูกขอสามีขอภรรยาขอทรัพย์สมบัติเข้าขอเงินทองขอตาแหน่งขออะไรต่างๆก็อธิษฐานกันค่ะของพวกนี้ขอไม่ได้ของพวกนี้มันเป็นผลเราต้องอธิษฐานที่เหตุก็คือเราต้องตั้งเหตุตังเป้าไปที่เหตุ คือการกระทําเช่นเราอยากจะได้จบเป็นหมอเราก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือตั้งแต่อยู่ระดับปถมมัธยมนี้ต้องพยายามรักษาเกรดให้ดีฮะเรียนให้มันได้สี่จุดไปเรื่อยๆพอจบหมหกไปสอบเอ็นท้านก็เข้าหมอได้ถ้าจบได้สี่จุดพอพอได้เข้าหมอแล้วก็ตั้งใจเรียนต่อรักษาสี่จุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวหกปีก็ได้เป็นหมอขึ้นมาเอง ออธิษฐานก็คือให้เราตั้งใจเรียนหนังสือถ้าเราอยากจะเป็นหมอเราก็ให้ตั้งใจเรียนหนังสืออย่าไปขอให้เป็นหมอแล้วก็ไปเที่ยวไปเล่นกันแล้วก็เวลาเรียนก็คะแนนไม่ดีเวลาสอบเอ็นก็เอ็นเข้าไม่ได้นี่คำว่าอธิษฐานแปลว่าให้เราตั้งใจทําเหตุให้เกิดผลที่เราต้องการเช่นถ้าเราอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานเราก็ต้อง ทำทานรักษาศีลภาวนาให้เราตั้งจิตตั้งอธิฐานไว้ที่การทาทานที่การรักษาศีลที่การภาวนาไม่ใช่ตั้งจิตอยู่ที่พระนิพพานขอให้ได้นิพพานแต่ก็ไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มกันอย่างนี้มันก็จะไม่มีเหตุที่จะทำให้พระนิพพานเกิดขึ้นมานนคาว่าอธิฐานก็แปลว่าความตั้งใจที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดผลที่เราปรารถนาขึ้นมา คำถามจากคุณสลันเวลาร่างกายไม่สบายมากๆเช่นปวดหัวรุนแรงปวดท้องรุนแรงกระดูกหกักปวดแบบรุนแรงรุนแรงใช้อุบายไหนให้ใจติดอยู่กับพุทโธได้นานๆไหมครับก็ต้องทำถ้าตาตั้งยังไม่เจ็บต้องซ้อมเหมือนกับการวิ่งมาราธอนนี่ ถ้าเราอยากจะวิ่งมาราธอนเราก็ต้องหัดวิ่งกันตอนต้นก็วิ่งวันละห้ากิโลก่อนแล้วเพิ่มเป็นสิบกิโลเพิ่มเป็นยี่สิบเพิ่มไปไเรื่อยๆจนกว่าจะได้เป้าหมายของเราไม่ใช่พอจะต้องการวิ่งมาราธอนก็ไปสมัครวิ่งกับเขาวันที่เขาวิ่งกันเลยโดยที่ไม่ได้เตรียมตัววิ่งมาก่อนวิ่งไปได้สองกิโลก็แหบหอบลินห้อยเพราะว่ามันไม่ได้ซ้อมไม่ได้เตรียมตัวไว ก็เหมือนกันเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายแล้วเราอยากจะระงับความทุกข์ทรมานใจนี้ถ้าเรามีพุทโธเราจะระงับได้แต่ถ้าเราไม่ได้ซ้อมพุทโธไว้ก่อนพอเป็นขึ้นมาพุทโธได้สองคำก็เหนื่อยแล้วหยุดละไม่สามารถหยุดความทุกข์ทรมานใจได้ดงนั้นถ้าเราอยากจะให้ใช้พุทโธเป็นเราต้องหัดทำตั้งแต่เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องทําบ่อยๆทําทุกวันเหมือนกับเราหัดวิ่งมาราธอนเนี่ย ต้องหัดวิ่งไปตอนตอน้นเราก็อาจจะทำะครั้งละหนาทีไปก่อนแล้วเพิ่มเป็น10นาทีเพิ่มเป็น20สนาทีให้มันพุทธโทอย่างต่อเนื่องเลยไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นเลยต่อไปถึงเวลาที่เราจะใช้พุทธโทรเราก็จะได้มีกำลังใช้ได้ คำถามจากคุณอารีเวลาตื่นนอนจิตมีความรู้สึกเบื่อชีวิตที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันปกติชีวิตก็สุขและทุกข์เป็นธรรมดาอยู่แล้วขอคำแนะนำในการแค่แก้ไขความรู้สึกนี้ด้วยค่ะก็มีสองวิธีนะวิธีหนึ่งก็รีบตื่น้็มาแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ออกไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวเดี๋ยวความรู้สึกนี้ก็หายไป แต่มันหายชั่วคราวเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาก็เป็นแบบนี้ แต่ถ้าอยากจะให้มันหายโดยที่ไม่ต้องไปเที่ยวเราก็ต้องใช้สติเป็นเบื้องต้นใช้พุทโธเป็นเบื้องต้นพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลยมันจะมีอารมณ์อะไรก็ไม่ต้องไปสนใจกับมันเราก็พุทโธพุทโธของเราไปทำทำหน้าที่ของเราไปต้องเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาอาบน้ำทำอะไรก็พุทโธไปอย่าไปสนใจกับอารมณ์ถ้าเราอยู่กับพุทโธเดี๋ยวอารมณ์เหล่านั้นก็จะหายไป ถามจากคุณพัะชลีเราเมตตาต่อสัตว์มีพิษจะช่วยชีวิตมันแต่กลับโดนมันต่อยจนเจ็บต้องนอนโรงพยาบาลเพราะกรรมหรือเปล่าคะแต่ลูกก็โอโหสิกรรมให้มันไปเพราะคิดว่าคงเป็นสัญชาตญาณก็มันเป็นความประมาทของเรามากกว่าเราไม่ระมัดระวังมันก็กัดเราได้ถ้าเรา ร, ระมัดระวังมันก็จะ กัดเราไม่ได้หรือถ้าว่าเรามัดระวังแล้วมันกัดก็อาจจะถือว่าเราพลาดเราเผลอได้สี่เท้ายังรู้พลาดนั่งปาดยังรู้พังเนี่งั้นเราธรรมดาปุถุชนธรรมดาจะไม่พลาดได้อย่างไรงั้นจะเรียกว่าเป็นการพลาดเป็นอุบัติเหตุก็ได้หรือจะพูดแบบให้สบายใจก็คิดว่าเป็นกรรมเก่าก็ได้มันจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันขอให้เราากังวลกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นดีกว่า ว่าเราทุกข์เรื่องเราไม่ทุกข์กับมันถ้าเราทุกข์เราต้องทำให้มันไม่ทุกข์กับมันให้ได้เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันผ่านไปแล้วเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนมันได้แล้วเราก็ต้องพยายามรักษาใจของเราให้เป็นปกติเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นวิธีที่จะรักษาก็อาจจะคิดว่ามันเป็นกรรมของเราก็ได้ถ้าคิดแล้วทาให้เราสบายใจก็ใช้ได้ ถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้สติพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึง เ, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมันผ่านไปแล้วให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวก็ลืมเรื่องเหตุการณ์ที่ถูกกัดมันก็จะไม่รู้สึกทุกข์ใจค่ะคำถามจากคุณยุทธภ พ, พคําว่าเจริญพรมวิหารสี่ในการทำสมาธิภาวนานั้นหมายความว่าอย่างไรครับ ก็เวลานั่งก็ท่องไปสิสัต์เพสัตตาอเวราหหนตุอั บ, บยาปัชชาหหนตุเนี่ย ส, สวดไปสวดพรวิหารสีไปสวดหลายหลายรอบก็จะทำให้ใจสงบได้คะคำถามจากคุณเดียดอ o t com การภาวนาโดยการบริกรรมพุทธโธ ท, ทำอย่างไรหายใจเข้าพุทธออกโธใช้การภาวนาไหมครับไม่ต้องใช้ลมหายใจถ้าพุทธโธก็พุทธโธไปอย่างเดียวก็ได้ แต่ถ้าอยากจะใช้หายลมหายใจด้วยก็ได้แต่มันจะยุ่งยากกว่าการใช้พุทโธอย่างเดียวเหมือนอจับปลาจับปลาสองมือกับจับปลามือเดียวนี้อันไหนจะดีกว่าถ้าจับปลาสองตัวก็ต้องจับสองมือแล้วจับไม่มั่นเดี๋ยวปลาก็หลุดไปทั้งสองตัว สูจับตัวเดียวดียว่าจับด้วยสองมือดีกว่าเอาพุทธโธตัวเดียวเอาสองมือจับพุทธโธเข้าไปอย่าไปจับทั้งพุทธทั้งลมพทุทั้งพุทโธทั้งลมแล้วมันก็จะยากขึ้นอย่าถ้าเราชำนาญเราเก่งแล้วเราสามารถใช้พุทธเข้าโธออกแล้วทําใจให้เราสงบได้ก็ใช้ได้ไม่ห้ามแต่คิดว่ามันยุ่งยากกว่า เอาอย่างเดียวมันง่ายกว่าแล้วเราจะพุดธโทรเร็วก็ได้พุดโทรช้าก็ได้บางทีเรื่องต่างๆมันแทรกเข้ามาเยอะเราก็พุทธโทรให้มันเร็วขึ้นไปก็ได้แต่ถ้าเราพูทเข้าโทรออกกับลมเราก็จะเร็วไม่ได้เพราะมันต้องไปตามจังหวะของลมคำถามจากคุณกรประภาถ้าเราไปไหว้พระที่วัดแล้วที่วัดแห่งนั้นมีการสร้างพระพิฆเนศ เราที่เป็นชาวพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะสูงสุดสามารถกราบไหว้ขอพรต่อพระพิคเนตได้หรือไม่คะขอพอรจากพระพุทธเจ้าก็ขอไม่ได้อย่าว่าแต่ขอจากช้างเลยมันขอไม่ได้ต้องปฏิบัติที่เรากล่าวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ได้ขอพอรเรากล่าวแสดงความเคารพนับถือเริ่มใสายศรัทธาแล้วถ้าเราอยากจะ บูชาท่านอย่างจริงจังเราก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนแลวเราก็จะได้สิ่งที่เราอยากได้เราจะได้พรจากพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา คำถามจากคุณธนพาหากใจจิตใจของเราไม่สามารถที่จะอดทนต่อกิเลสที่มากระทบจิตใจของเราได้ทำให้เราแสดงอาการที่หยาบคายออกไปทั้งๆ ท, ท, ที่เคยปล่อยวางได้แบบนี้ดิฉันควรจะต้องทำอย่างไรต่อไปดีคะก็ใช้พุทโธนี่แหละพยายามอาจใช้พุทโธอยู่พอเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไป พอเราอยู่กับพุโทโธการจะแสดงกิริยาต่างๆที่ไม่ดีออกมาก็จะไม่มีเพราะใจจะเย็นใจจะสงบแล้วอารมณ์ที่เสียก็จะหายไปฉะั้นการจเจริญพุโทโธนี่สำคัญมากพยายามหัดจเจริญบ่อยๆจนเราชำนาญพอมีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีก็หายไป คำถามจากผู้ฝากถามตอนเริ่มนั่งสมาธิความคิดเยอะบางทีก็กำหนดพุทโธหรือลมหายใจไม่ได้นั่งไปสักพักพอนึกถึงต้นไม้แสงแดดในป่าในเขากลับมีความสุขมากและไม่คิดอะไรพอยิ่งนึกก็เหมือนว่าตัวจะลอยแต่ก็อยู่ได้ไม่นานค่ะมีความสุขนั้นก็หายไปหลังจากนี้ต้องทายังไงต่อดีคะ ต้องพูดโทรหรือดูลมหายใจต่อเลยหรือว่ากลับไปนึกถึงต้นไม้แสงแดดในป่าในเขาอีกคะก็ตามใจทำย่างไรให้มันสงบได้ก็ทำไปคำถามจากผู้ฝากถามสามีป่วยเป็นอัมพึกมาห้าปีตอนนี้เป็นมะเร็งเพิ่มมาอีกเขาจะใจร้อนขี้หงุดหงิด โมโหและจะอยู่นิ่งไม่ได้เช้ามาก็จะรีบให้ขับรถพาไปเรื่อยๆและต้องพาไปโน่นนี่นั่งรถเข็นก็จะต้องเข็นให้ตลอดไม่อยู่นิ่งรถจะไม่ยอมเอาแบบไฟฟ้าเลื่อนไปเองได้ดิฉันและลูกๆรู้สึกเป็นทุกข์ใจบางครั้งก็พานอารมณ์เสียใส่เขาดิฉันควรใช้ธรรมะข้อไหนมาช่วยและจะวางใจอย่างไรดีคะ ก็ใช้ความเมตตานะสงสารเขา mm hmm. เขาทุกข์เราก็บรรเทาความทุกข์ให้กับเขาไป mm hmm. หมดแล้วนะฮะมีคำถามต่อ เน่แผ่เมตตาชอบแผ่ตอนที่ไม่มีคนมารับเวลามีคนมารับแผ่ไม่ออกเนี่ยเวลาสามีต้องการสิ่งนู่นสิ่งนี้ไม่ยอมแผ่ให้เขาไม่ยอมแผ่เมตตาแต่เวลานั่งสมาธิสวดมนต์เสร็จแม้จะแผ่กันเลือเกินชอบแผ่กันตอนนั้นล้มแผ่อะไรนะมีใครรับไม่มีใครรับซน่อยเนยมันต้องแผ่ตอนที่เราทุกข์กับสิ่งที่เราบุคคลที่เรากําลังเจออยู่เราแผ่เมตตาว่าให้เขามีความสุขนะ ทดแทนบุญคุณเขาหรืออะไรแผ่เมตตารเราก็จะได้มีความสุขรเราแทนที่จะทุกข์กับการดูแลเขาเราก็จะมีความสุขอาจารย์คำถามข้าพเจ้ายาวมากนะคะเอาสั้นๆเอย่าเล่าดีกว่าอเอาทางนาี้ยขนาดที่นั่งอยู่เนี้ยเกิดอาการกลัวหัวใจเต้นแรง ก็ธรรมดาว่าธรรมดามเขาปล่อยมันเต้นแรงไปเราอย่าไปสนใจเราอยู่กับพุทโธไปเอใหม่ๆมันก็อย่างเงี้ยเหมือนตอนเติมท่านอนข้าพเจ้าข้าพเจ้าฝึกดูลมมานานมากแล้วถ้าถ้าให้ดูลมตลอดเวลาไม่ถึงกับต่อเวลาแต่ว่าให้สมถะตลอดเนี่ยก็ทําได้คือจะไม่มีอะไรเข้ามาทะลวงเข้ามาในใจเหยียบงูยังไม่กลัวเลยไม่สนใจ แปลว่าถ้าสมมุติว่าออกจากการดูลมคือปล่อยสบายๆไม่ดูลมถ้าสมมติว่ามีรถปาดหน้ามาปุ๊บความโกรธฟุบขึ้นมาเห็นความโกรธนั้นเป็นเหมือนควันวุบหายไปเห็นแต่ถ้าวันไหนสมาธิไม่ดีพอโกรธปุ๊บขึ้นมามันอยู่ต่อยาวมากคำถามข้าพเจ้าคือว่า เมื่อความโกรธขึ้นมาครับแล้วมันไม่หายไปมันอยู่ต่อข้าพเจ้าควรที่จะดับมันด้วยการมาดูลมเลยหรือปล่อยให้มันข้าพเจ้าดูมันที่ความโกรธก็ลองดูเสียว่าอย่างไหนดับมันได้ก็ อ, อย่างนั้นคือสรุปว่าคือทุกอย่างต้องดับหรอค ะ, อะถ้าคุณอยากให้มันดับมันก็ต้องดับไปเแต่เพื่อน ข้าพเจ้าฝึกกับหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านบอกว่า<ม>ข้าพเจ้าเวลาโกรธปุ๊บมันขึ้นมาแล้วมันก็หายไปคือจิตเกิดตลอดหลวงพ่อบอกว่า<ม>ทํายังไงให้จิตนิ่งสงบแต่ว่าในชีวิตประจําวันข้าพเจ้าฝึกดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จิตเราจะนิ่งสงบเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เข้ามาตลอดเพียงแต่ว่ามันจะกระตุกขึ้นแล้วมันจบลงเร็วไหมแค่นั้นอ่าแล้วทำอนะไรล่ะอะไรนะคะเราจะทํำยังไงอเราจะทำอะไร คำถามคือว่าจุดประสงค์ในการฝึกเนี่ยคือเราต้องการให้ส ง, งบตลอดหรอค ะ, อะก็ส ง, งบตลอดนั่นเลงแต่ในชีวิตจริงมันไม่มีทางที่จะส ง, งบตลอดแค่นั่งเฉยๆความคิดมันเข้ามาสมมุติว่า หน้าคนนี้ขึ้นมาปุ๊บหน้าคนนี้เราสงสารเขามันก็เศร้าแต่เรารู้ตัวเราก็รีบมาดูลมรหรือว่าหน้าคนนี้ขึ้นมาเราไม่ชอบเขาก็เกลียดขึ้นมามันก็คือมันมีการอะไรที่พิ่งขึ้นมาคุณต้องเปลี่ยนชีวิตของคุณเลยคุณต้องไปอยู่คนเดียวไปฝึกให้มันสงบตลอดก่อนแล้วค่อยกลับมาอยู่แบบเดิม หมายความว่าถ้าเราไปฝึกให้เราสงบตลอดออแล้วพอเรามาอยู่ในออนี้ก็คือว่ามันจะไม่กระเพื่มหรอคะไม่กระเพิ่มแล้วถ้าเรารู้จักวิธีทําให้มันไม่กระเพื่อมมันก็ไม่กระเพื่อมแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนต้นท่านก็ไปอยู่คนเดียวหกปีตอนท่านทําใจไม่กระเพื่อมแล้วทีนี้ท่านก็มาสั่งสอนมาเจอคนเยอะแยะไปหมดใจท่านก็ไม่กระเพิ่มกับอะไรต่อไปแล้วที่ เพื่อนข้าพเจ้าเขาฝึกมาอีกแบบหนึ่งเขาบอกว่าให้ดูเวลาความโกรธเนี่ยมันทุกอย่างมันคือความทุกเวลาความโกรธขึ้นมาเนี่ยให้ดูเพื่อที่จะได้ข้าพเจ้าก็ฝึกดูตามที่เพื่อนบอกอย่างสมมุติว่าคุณพ่อข้าพเจ้าพูดประโยคนึงว่าให้ไปนั่งไกลๆอย่ามายุ่งกับแม่มากนะักให้เขาให้เขาทำเองให้เขาทานข้าวเองไม่ต้องไปช่วยเขาข้าพเจ้าก็น่อยใจความคิด น้อยพอความเศร้าน้อยใจขึ้นมาปุ๊บข้าพเจ้าก็ดับแต่ว่าภายในห้านาทีนี้ความคิดน้อยใจนี่มันมาถี่มากเหมือนโดนชกถี่มากมันก็คือเศร้าตลอดเพื่อนข้าพเจ้าบอกว่าให้ดูมันแต่ถ้าข้าพเจ้าถ้าพระเจ้าน้อยใจปุ๊บแล้วข้าพเจ้าหยุดมันแล้วก็ดูลมเลยไม่ให้มันเข้ามาก็ได้แต่เพื่อนข้าพเจ้าบอกว่าถ้าถ้าดูลมเหมือนกระดับเลยแล้วดูลมก็คือสงบสุขสบาย แต่ว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ดูลมคือมันถูกชกหนึ่งทีความคิดเข้ามาข้าพเจ้าก็รู้แล้วก็จบแล้วมันก็ชกเหมือนมันชกเข้ามาถีๆก็เพื่อนข้าพเจ้าบอกว่าให้ดูไปอย่างนั้นคือข้าพเจ้าสงสัยว่าปล่อยให้มันเข้ามาความทุกข์ปล่อยให้มันเข้ามาหรือว่าพอเรารู้มันเข้ามาแล้วเราเอาสมถะคุมเลยไม่ให้มันเข้ามา ก็แล้วแต่เราเราต้องการอะไ ร, รเรกาต้องการหลุดพ้นค่ะต้องการหลุดพ้นก็จะใช้สมถะมันก็หลุดพ้นชั่วข่าวพอใจสงบมันก็หลุดพ้นจากความน้อยใจไปชั่วข่าวเดี๋ยวข่าวหน้าเจอเจอเจ อ, เจอเรื่องแบบเดิมอีกก็น้อยใจอีกแต่ถ้าอยากถ้าอยากจะให้สงบอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือหาสาเหตุว่าทําไปทําอะไรทําให้เราน้อยใจน น้อยใจก็คือความอยากของเราอยากทำตามใจของเราพอเราไม่ได้ทำตามใจของเราเราก็น้อยใจอยากจะอยู่ใกล้แม่พ่อบอกให้ไปอยู่ไกลๆก็น้อยใจเราก็หยุดความอยากของเราที่จะอยู่ใกล้แม่สิแล้วพ่อก็จะบอกให้เราอยู่ไกลขนาดไหนเราก็จะไม่น้อยใจก็คือดับดับความอยากดับต้นเหตุสมุทัยคือตันหาความอยาก <c oughs> ขอบพระคุณมากคะ่ะ วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเ c e b o o k ครับวันนี้สัญญาณเฟซเฟซ o o ๊ไม่ค่อยดีนะฮ ะ, ะแต่ก็เข้ามาอยู่ที่สองร้อยแปดสิบแปดตอนตอนที่พรพระจันทร์เทศนะฮะสอง้อยแปดสิบแปดแล้วก็ YouTube อยู่ที่สามสิบสามมันขาดไม่หลุดไหมหรือไม่หลุดไม่หลุดครับเป็นแต่ขาดขาดหายหายครั บ, อ, รบอาจจะอยู่ที่เครื่องส่งอุปกรณ์รหรือว่าอยู่ที่แครฟิกการใช้งานอาจจะมาก ช่วงสาวที่คนจะมาเที่ยวแถวนี้เอะก็จะใช้สัญญาณกันเยอะเนี่ยซิวลเล็นี่คนมาเที่ยวกันเยอะก็จะใช้แย่งสัญญาณกันตอนตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ร้อยหกสิบเจ็ดที่เฟซบุกนะฮร้อยหกสิบเจ็ดแล้วก็ยูทูบที่ยี่สิบเอ็ดมีคำถามเข้ามาก็ถามได้เลย เอาเริ่มจากคำถามจากอินบ็อกซ์ก่อนนะครับจากคุณสุวรรณาการนั่งสมาธิเมื่อสมาธิลงเป็นเอกจิตแล้วคำภาวนาพุทโธ ท, ที่กำหนดหายไปเองเหลือแต่ความว่างอยู่ตรงลิ้นปี่จิตกับลมหายใจคือคนละส่วนกันแต่ก็มองดูจิตอยู่เจ้าคะ่ะคำถามคือคาภาวนาพุทโธเรายังต้องดึงกลับมากำหนดหรือไม่เจ้าคะหรือต้องทาอย่างไรต่อเจ้าคะ่ะ ถ้าจิตนิ่งก็ไม่ต้องทำอะไรพยายามรักษาความนิ่งด้วยสติให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่าใช้พุทโธอย่าใช้ลมนอกจากว่าถ้ามันเริ่มไม่นิ่งอยากจะให้มันนิ่งต่อก็ต้องใช้พุทโธต่อแล้วลมต่อเหมือนรถเนี่ยเวลาที่มันจอดแล้วมันไม่ไหลเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรกพอเราพอเราถอนเบรกออกมาพอมันพอมันไหลเราก็ต้องเหยียบใหม่ถ้ามันไม่ไหลก็ไม่ต้องเหยียบ คำถามต่อไปจาก Facebook นะครับจากคุณหน่อยครับตอนนี้คือนั่งปฏิบัติเฝ้าดูลมหายใจได้นานหลายชั่วโมงอย่างต่อเนื่องแต่มีบางช่วงค่ะที่นั่งไปแล้วรู้สึกว่าทนไม่ไหวแบบอยากจะพูดอยากจะกรีดแบบทนไม่ไหวประมาณนี้ค่ะคือใจเห็นว่าเป็นกิเลสแต่ไม่รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปดีคะเมื่อเกิดอารมณ์แบบนี้กราบขอคาแนะนาค่ะ ก็ได้หลายวิธีวิธีหนึ่งก็ใช้สติสู้พุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้แล้วอารมณ์ที่อยากจะกรีดมันก็จะหายไปในวิธีหนึ่งก็ดูมันเฉยๆอยากจะกรีดก็ปล่อยมันอยากไปมันจะกรีดแค่มันกรีดข้างในก็แล้วกันอยากไปกรีดออกมาทางปากทางวาจาทางร่างกายมามื่ออยากจะกรีดก็กรีดไปแต่ไม่ต้องออกมาทางร่างกายให้มันกรีดอยู่ในใจนั่นดูมันกรีดไปเดี๋ยวมันหมดแรงมันก็หยุดเอง คำถามต่อไปจากคุณบูมครับขอกราบถามพระอาจารย์เวลาจิตมันเกิดคิดไม่ดีอยากเร็วเวลาที่มีสิ่งมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจทางธรรมะนี้เขาเรียกว่าอะไรครับและวิธีตัดหรือทําลายมันอย่างเร็วทําอย่างไรครับ เ, ออเวลาที่สิ่งต่างๆมาสัมผัสเขาก็เรียกว่าสัมผัสมาเลยตาสัมผัสกับรูปก็เกิดสัมผัสขึ้นมา แล้วก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาขึ้นมาวิธีตัดก็คือต้องใช้สติหยุดมันคืออย่าไปอย่าไปรับรู้มันอย่าไปรับรู้สิ่งที่เรามาสัมผัสเช่นเราสัมผัสเสียงแล้วทำให้เราโกรธเราก็ใช้พุทธโธอยู่กับพุทธโธไปดึงใจให้ออกจากเสียงนั้นอย่าไปคิดถึงเสียงที่ทาให้เราโกรธพอเราอยู่กับพุทธโธไปเดี๋ยวความ ความโกรธก็จะหายไปอันนี้เป็นการระ ง, งับชั่วคราวถ้าจะระ ง, งับถอวานก็ต้องพิจารณาเสียงว่าเป็นอนัตตาเป็นเหมือนเสียงลมพัดเราไปสั่งมันไม่ได้เห็นไหมตอนนี้นกมันล้องลมมันพัดเราจะไปสั่งให้มันหยุดไม่ได้สั่งให้มัน พัดไปอีกทางหนึ่งเป็นอีกเสียงหนึ่งนี้เราสั่งไม่ได้เวลาเราได้ยินเสียงชมเสียงด่าแล้วก็ไปสั่งไม่ได้เราก็ทำใจเหมือนกับเราฟังเสียงนกเสียงลมพัดกันแลังกันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะไม่โกรธคือพิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตาสัพเพธรรมะอนัตตาทำทั้งปวงเป็นธรรมชาติ ที่เราไม่สามารถที่จะไปเลือกเอาว่าจะเอาธรรมชาติแบบนี้หรือเอาธรรมชาติแบบนั้นเหมือนกับเราเลือกฝนฟ้าอากาศได้หรือเปลเราเลือกดินฟ้าอากาศไม่ได้ชันได้แล้วก็เลือกสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้มันก็มาตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ถ้าเราไม่เลือกเรารับได้ทุกทุกชนิดเราก็จะไม่ทุกข์กับมันที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับมันอยากจะให้มันเป็นอย่างอื่นไปเราเกิดความอยากใจของเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นเอง นั่นเราต้องอย่าไปหยากกับธรรมชาติเราต้องรับธรรมชาติตามที่เขาให้เรามาคำถา ม, ถามต่อไปจากคุณปลาครับการเดินจงกรมมากๆเดินบ่อยๆมีอา น, นิสงส์อย่างไรครับมันก็อยู่ถ้าว่าเดินแบบไหนถ้าเดินแบบใจลอยก็มันก็ได้ออกกำลังกายไปร่างกายก็มีพลังมีกำลัง แต่ใจก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าใจลอยไม่มีอะไรควบคุมใจถ้าอยากจะให้ใจได้รับประโยชน์จากการเดิน mm. ก็ต้องมีสติควบคุมใจ mm. ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้จดจ่ออยู่การเดินเพียงอย่างเดียวหรือให้อยู่กับคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปถ้าเดินจงกรมนานๆพุทธโธไปได้อย่างต่อเ น, นื่องใจก็จะเบาจะเย็นจะสงบจะมีความสุขคาถามต่อไปจากคุณจุมครับ เวลาลูกขับรถอยู่บางครั้งพบเห็นสุนัขที่ถูกรถชนเสียชีวิตไปแล้วลูกปรารถนาอยากให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีเลยตั้งอธิษฐานจิตอธิษฐานนี่ละเลยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เขาไปสู่สุคติภพขอเองแบบนี้เป็นการแผ่เมตตาไหมเจ้าคะไม่ได้แผ่มันตายเวลามันย้อนรับอะไรจากเราเอมัน แผลตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่เลยถ้ามันไม่สบายมันโดนชนมันยังไม่ตายก็เอาไปเลี้ยงมันเอาไปรักษามันมันตายไปแล้วก็มันก็จบแล้วมันไม่สามารถรับความเมตตาจากเราได้แล้วคาถามต่อไปจากคุณสมศรีครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วจิตเกิดปิติสุขว่างเหมือนไม่มีตัวตนมีความสุขมากแล้วก็คิดในใจว่านั่งสมาธิมีความสุขอย่างนี้นี่เองพระท่านถึงได้บวชไม่สึก พระคิดแบบนี้แล้วจิตมันก็ถอนออกมาต่อมานั่งอีกไม่เคยเกิดปิติสุขอีกเลยเป็นเพราะอะไรคะก็เพราะไม่นั่งแบบเดิมไงถ้านั่งแบบตอนที่มันเกิดปิติสุขมันก็จะเกิดอีกคราวนี้เรามานั่งเรามาคิดถึงปิติสุขที่มันเกิดมันก็เลยไม่เกิด อดีตที่ผ่านมาแล้วเราอย่าไปคิดถึงมันเราต้องนั่งแบบตอนที่เรานั่งครั้งนั้นเรานั่งแบบไหนแบบนั้นจําได้หรือเปล่าน้องย้อนกลับไปดูให้เรานั่งแบบไหนทแบบํ า, าบบหทให้เกิดปิติสุขแล้วก็ทําแบบนั้นต่ออย่ามานั่งแล้วคิดถึงปิติสุขแล้วอยากให้ปิติสุขเกิดมันไม่เกิดใช่แล้วมันไม่เกิดจากความอยากไม่เกิดจากความคิดถึงมันมันเกิดจากการที่เรานั่งเฉยๆไม่คิดถึงอะไรอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธไป แต่มันจะยากแล้วล่ะเพราะมันจะอยากอย่างเดียวมันจะคิดถึงมันอย่างเดียวมันจะไม่ยอมอยู่กับพุทโธอยู่กับลมมันจึงไม่สงบงั้นเราต้องลืมอดีตไปให้ได้ให้อยู่กับพุทโธไปให้ได้อยู่กับลมไปให้ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบเหมือนเหมือนคราวที่แล้วคําถามต่อไปจากคุณนพลครับเคยได้ยินว่าถ้าฝันแล้วจําได้เป็นนิมิตแล้วนิมิตที่จําได้คาดเคลื่อนได้ไหมครับ มันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วอย่าไปสนใจคำถามต่อไปจากคุณกิติกรครับการที่เราทำบุญแล้วอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับอยากทราบว่าผลบุญทั้งหมดจะให้ผู้ล่วงลับได้หรือไม่แล้วเราก็ยังได้รับผลบุญนั้นเช่นเดิมหรือไม่ครับได้บุญที่เราทำนี่อุทิศไปได้เพียงร้อยลสิบเท่านั้ น, นหรือร้อยหรือ100ร้อยละหนึ่ง ส่วนที่เหลือเป็นของเราหมดเพราะสถานะภาพของคนรับเขาไม่มีไม่มีภาชนะจะมาลองรับบุญทั้งหมดที่เราทำให้กับเขาเขารับได้เพียงแต่ส่วนที่เราอุทิศไปให้เขาได้ก็คือร้อยละหนึ่งคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณตาณีครับสมัยนี้เขามีการเรียนสมาธิมันหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะแค่เราฟังธรรมครูบาอาจารย์แล้วรักษาศีล ไปปฏิบัติธรรมที่วัดห้าถึงเจ็ดวันมันแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะก็ไม่ต่างกันตรงที่เขามีหลักสูตรมีคนสอนมีตารางคอยควบคุมบังคับให้เราปฏิบัติอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องถ้าเราปฏิบัติเองเราก็อาจจะปฏิบัติตามอารมณ์ของเราขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็นอนคำถามต่อไปจากคุณแจงครับเคยได้ยินมาว่า พึงมีความเพียรเผากิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวเพราะกิเลสเป็นตัวเป็นตนหรือไม่คะมีเพื่อนที่เขานั่งภาวนามาบอกเราว่าเวลาเราภาวนากิเลสต่างๆที่เราเพียรเผาจะติดอยู่ตามบาะที่เราภาวนาค่ะอ๋อนี่เป็นความเข้าใจเผยดกิเลสมันอยู่ในใจมันเป็นนามธรรมามันไม่ได้เป็นรูปร่างเหมือนสุนัขเหมือนแมวหรือเป็นเหมือนแมลงสาบเนี่มันเป็นอ กิริยาทางจิตใจที่สร้างความรุ่มร้อนให้แก่จิตใจของเราเราใช้สติซึ่งเป็นกิริยาทางจิตใจที่จะหยุดความรุ่มร้อนของจิตใจของเราได้คำถามต่อไปจากคุณสมชายครับดวงจิตผู้รู้จะนําเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามกรรมที่เราทําไว้ถูกต้องไหมครับไม่ใช่แล้ว ผู้ที่จะพาเราไปคือตันหาความอยากของเราถ้าไม่มีตันหาความอยากอย่างพระพุทธเจ้าพระลานตสาวกท่านก็ไม่ไปต่อให้ท่านทําบุญทําบาปมามากน้อยแค่ไหนก็ไปไม่ได้เพราะเหมือนกับรถที่ไม่มีน้ํามันเนี่ยต่อให้บรรทุกของเต็มขนาดไหนก็วิ่งไม่ได้ถ้าไม่มีน้ํามันแต่ถ้ามีน้ํามันมันก็วิ่งไปได้คาถามต่อไปจากคุณเดียครับ เมตตาเป็นวิหารธรรมหมายความว่าอย่างไรครับวิหารก็แปลว่าที่อยู่ไงเป็นธรรมที่ให้เราเป็นที่อยู่อาศัยของใจเมตตาคือความเย็นเหมือ น, นอยู่ห้องปราบอากาศเวลาเรามีมีความเมตตาใจเราจะเย็นใจเราจะมีความสุขแล้วการกระทาของเราก็จะทำให้ผู้อื่นเขารักเราชอบเราไม่โกรธไม่เกลียดเราคำถามต่อไปจากคุณหมูครับ ลูกนั่งพุทโธพุทโธไปพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าหายใจไม่ออกรู้สึกกลัวบะลูกรู้สึกกลัวพักหนึ่งลูกจึงคิดว่ายอมตายความรู้สึกกลัวก็หายไปแล้วลูกก็พุทโธต่อไปเป็นแบบนี้หลายครั้งลูกต้องทําอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะสงบสงบแล้วก็ให้มันสงบบ่อยๆสงบนานๆ คำถามต่อไปจากคุณธนาพร์ครับถ้าเราไม่สามารถหยุดความคิดกิเลสได้แต่เราไม่ได้ไปทําตามสิ่งนั้นจะถือว่าชนะกิเลสไหมครับก็ชนะไปครึ่งหนึ่งเออไม่ไปทําตามมันถ้าเราไม่ทําตามมันต่อไปมันก็มันก็หายไปเองถ้ามันยังไม่หายก็แสดงว่ายังไม่ได้ชนะมันเต็มที่ถ้าชนะมันเต็มที่ต่อไปมันก็จะหายไปเะ่นอยากจะสูตบุหรีล ตอนต้นมันอยากจะสูบเราก็ไม่สูบมันก็ยังไม่หายไปมันก็จะมาอยากสูบอีกเราก็ต้องไม่สูบอีกต้องฝืนมันไปเรื่อยเรื่อยจนกว่ามันจะหายไปหายไปเราก็ไม่ต้องฝืนแล้วหมดปัญหาไปคำถามต่อไปจากคุณมีครับจิตตัวรู้ก่อนที่จะมาเกิดในโลกในนรกในสวรรค์ในนิพพานจิตเรามาจากไหนครับจิตมันก็มาจากจิตนะซึ่มันจะมาจากไหน คำถามต่อไปจากคุณกิตก่อนครับการควบคุมจิตตนเองในวงเล็บเข้าชาญนะครับจำเป็นหรือไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลหรือไม่ครับอา้าวก็เหมือนกับการหัดว่ายน้ำการหัดเล่นกีฬาตีกอล์ฟเล่นเทนนิสเนี่ยมันก็ต้องมีคนสอนถ้าไม่มีคนสอนมันก็ตีแบบมั่วๆไปดีถ้าอยากจะตีแบบให้มันถูกต้องน้องแบบเป็น เมื่ออาชีพขึ้นมาได้ก็ต้องมีคนสอนอการภาวนาก็ต้องมีคนสอนมันถึงจะได้ผลตามหนักของการภาวนาถ้านั่งโดยไม่มีใครสอนเดี๋ยวก็กลายเป็นคนบ้าได้เนี่ยที่เรียกว่าคนนั่งนั่งสมาธิแล้วบ้ากันก็เพราะว่านั่งแบบไม่มีใครสอนคำถามต่อไปจากคุณใช่ครับ ขอตัวช่วยกำหนดฟุ้งซ่านค่ะกำหนดไม่ทันค่ะอย่าไปกำหนดมันกำหนดพุทธโธถ้าอยู่กับพุทธโธแล้วมันไม่ฟุ้งนี่มันฟุ้งเพราะไม่มีพุทธโธคำถามต่อไปจากคุณจันผาครับผู้ที่เคยได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเช่นพระโสดาบันหากกลับมาเกิดใหม่แต่ไม่พบครูบาอาจารย์จะสามารถปฏิบัติต่อไปเองได้หรือเปล่าครับถ้าได้ท่านรู้ทางปฏิบัติได้อย่างไรครับ อก็เห็นทางแล้วไงการเห็นทางก็การแปลว่าการเห็นทางไปสู่พระนิพพานดังั้นก็ไม่ต้องให้คนพาไปแล้วเหมือนคนตาบอดที่รักษาตาให้หายแล้วก็ไม่ต้องอาศาัยคนตาดีพาไปคําถามต่อไปจากคุณนรินทร์ครับผู้ที่เห็นคนหรือสัตว์แล้วจิตมันเห็นเป็นหุ่นแล้วมันพยายามคิดว่าคนบังคับหุ่นนั้นอยู่ที่ไหน อันนี้คือเขาผ่านโสดาบันแล้วใช่ไหมครับยังเราเป็นเพียงจินตนาการเราก็นั่งคิดได้นะใครอยากจะคิดก็คิดได้จะเห็นจริงต้องปล่อยวางหุ่นให้ได้อย่าไปถือว่าเป็นตัวเราของเราถ้ายังถือว่าเป็นตัวเราของเราอยู่มันก็ยังไม่เป็นหุ่นถ้ามันเป็นหุ่นใครจะมาเตะใครจะมาชกใครจะมาตบใครจะมาตีใครจะมาทิ่มมาแทงก็มันใก้เป็นหุ่นอย่างนั้นถึงจะเป็นโสดาบันได เธอต้องปล่อยร่างกายได้จริงๆไม่ใช่ปล่อยเพราะเพียงแต่เห็นเห็นยังไม่พอเห็นแล้วต้องปล่อยใครจะมาโชคก็ปล่อยมันชคไปใครจะแทงก็ปล่อยมันแทงไปไม่โกรธไม่เกลียดไม่เสียใจเฉยๆอย่างนี้ถึงจะเป็นโสดาบันได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับเคยฟังพระอาจารย์เทศเรื่องกรรมที่เราทามีสารประเภทคือกรรมดี ในวงเล็บทานศีลภาวนาและก็กรรมที่เป็นกลางๆงคือทําอะไรที่ไม่เป็นคุณและโทษกับคนอื่นเช่นอาบน้ําแปรงฟันดูแลร่างกายเราและกรรมชั่วในวงเล็บผิดศีลเราสามารถทํากรรมกลางๆให้เป็นกรรมดีคือมีสติดูการเคลื่อนไหวตอนอาบน้ําทานข้าวแปรงฟันได้ใช่ไหมครับอ่าใช่นั่นก็เป็นกรรมดีแปเป็นเป็นบุญเป็นกุศลไปคําถามต่อไปจากคุณกุ้งครับ ช่วงสัปดาห์ช่วงสัปดาห์ดีรู้สึกรู้สึกน้าตาจะไหลช่วงสัปดาห์นี้รู้สึกน้ำตาจะไห ล, ดดนไหลแน่นหน้าอกนิดนิดอยู่เกือบทุกวันเมื่อคิดถึงธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์ถามว่าใจมีทุกข์ไหมก็ไม่ใช่ทั้งทั้งที่ช่วงนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เข้ามามากมีสุขก็มีสุขไหมก็ไม่ใช่มันเป็นสวัมันเป็นสภาวะเช่นไรควรทำอย่างไรคะ ก็ควรปล่อยวางให้สักแต่ว่ารู้ไปมันเป็นสภาวะที่เกิดดับเกิดดับเดี๋ยววันสามวันดีสี่วันไข้ช่วงบางเวลามันจิตมันตกต่ำมันก็เกิดอาการต่างๆขึ้นมาเวลามันเกิดเวลามันขึ้นสูงมันก็เกิดอาการต่างๆขึ้นมางั้นตราบใดที่จิตเรายังไม่ดุดพ้นมันก็ยังจะขึ้นลงๆเหมือนลูกลูกปิงปองอยู่ เราก็อย่าไปวุ่นวายไปกับมันเท่านั้นเองให้รู้ว่ามันกําลังขึ้นให้รู้ว่ามันกําลังลงถ้าเรารู้อย่างนี้ต่อไปมันก็จะไม่ขึ้นไม่ลงมันก็จะอยู่เฉยๆต่านี้คําถามหมดครับหมดแล้วเนี่ยมีใครอยากจะถามต่ออีกไหมเอาเอาไมา้ไปเปิดเปิดนรมาสการ์พัชจางค่ะหนูขอโอกาสถามนะคะ คือปฏิบัติไปแล้วอยู่กับพุโทโธจิตใจล่มเย็นเป็นสุขค่ะอินอะไรก็อร่อยนอนก็หลับค่ะน้ําหนักขึ้นมาห้ากิโลหนูก็อยากมาถามพระอาจารย์ว่ามันจะเหลวไหลไปไม่ได้เรื่องหรือเปล่าคะแบบนี้เอก็ไม่ได้เรื่องเพราะมันมันมันไม่มไม่ได้ตัดกิเลสไง ม, มันต้องตัดกิเลสเวลาเกิดความอยากต้องตัดมันอย่าไปทําตามความอยาก มันจะไม่ก้าวหน้ามันได้ก้าวหน้าในระดับสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาก็ไม่ต่อสู้กับความอยากปล่อยให้ความอยากมาดึงไปพอออกจากสมาธิแล้วมาพอมันดึงไปหาความอยากทางตาหูจมูกนิ้วกายเราก็ต้องหยุดมันอย่าทําตามมันกินก็ต้องกินแบบกินยาอย่าไปกินเพื่อความสุข หนูเคยลองอดค่ะพระอาจารย์ที่ว่ารักษาสี้นแปดวันพักนะคะเอ่อก็อดได้อยูประมาณไม่กี่พัะค่ะแล้วหลังจากนั้นมือมันสั่นนะคะพระอาจารย์หนูก็เลยก็ทําใจให้สงบสีก็ทําใจให้สงบอย่าไปกินนกลับไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้ามันสั่นอ๋อค่ะพระอาจารย์แล้วเรื่องการการนอนหลับเนี่ยพอเราปฏิบัติพุทธโทมากๆเนี่ย เราจะนอนหลับสบายหรือนอนไม่ค่อยหลับคะก็แล้วแต่มันไม่แน่นอนบางคนบางทีเวลานอนถ้ามีเรื่องเข้ามามันก็ทาให้นอนไม่หลับก็ได้มันเคยเป็นแบบนี้อค่ะแบบว่ามีพุทโธแล้วหลับสบายไปเลยแล้วก็มีพุทโธตลอดเวลาแล้วก็เหมือนไม่เหมือนไม่ใช่จะหลับอะค่ะเออมันก็ไม่แน่นอนแล้วแต่ออาค่ ะ, ม, ม, ะมันไม่หลับก็รู้ว่ามันไม่หลับก็แล้วกันมันหลับก็รู้ว่ามันหลับไป ค่ะแล้วก็ช่างมันนะค ะ, ะช่างมันพระอาจารย์หนูปดดนหกนปฏิบัติดีขึ้นไหมคะก็ถามตัวเองแล้วมาถามเราได้ไงอ่าถ้าปฏิบัติดีขึ้นน้ําหนักต้องลดลงใช่ไหมคะพระอาจารย์ผมต้องสั้นลงด้วยผมต้องสั้นลงด้วยอครับพระอาจารย์สาธุเจ้าค่ ะ, ะนรัชการค่ะหลวงพ่อคือ หนูจะพูดภาษาของหนูเองนะคะคือก่อนหนูจะมาพบหลวงพ่อเนี่ยหนูก็น้ำหนักแปดสิบกว่ากิโลเสร็จ <c oughs> <c oughs> แล้วพอหนูได้มีโอกาสฟังเทศเนี่ยตั้งแต่วันวิสาขาบูชาปีที่แล้ว <c oughs> จนถึงวันเนี้ยน้ําหนักหนูเนี่ยจากแปดสิบกว่าก็เหลือเจ็ดสิบสองด้วยการลดอาหารเย็นไปหนึ่งมือ้อ <c oughs> <c oughs> ทีนี้เนี่ยศินแปดของหนูเนี่ย จะมีข้อบกพร่องอยู่ข้อหนึ่งก็คือวิกาละโพชนาด้วยเหตุว่าหนูเนี่ยประกอบอาชีพการรับประทานอาหารในมื้อกลางวันเนี่ยบางทีงานเนี่ยติดพันอาจจะเลยไปจนถึงบ่ายโมงค่ะอันนี้หนูก็ไม่เป็นไรเลยไปชั่วโมงก็ได้การการให้ถือศีลข้อนี้มีประโยชน์สองอย่าง คือหนึ่งให้เรากินน้อยร่างกายจะได้ไม่ง่วงนอนเพื่อเราสองให้เรามีเวลาภาวนาอย่างต่อเนื่องคือตั้งหลังจากเรากินอาหารเที่ยงไปแล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องอาหารเย็นเราก็จะมีเวล า, า, เ, าเวลาปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเหมือนรถไฟที่ไม่ต้องจอดหลายสถานีแึ่ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่า คแต่ถ้าเรารักษาศีลแล้วไม่ภาวนามันก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ก็เพียงจะทําให้เราไม่ลดน้ําหนักลงแล้วก็ไม่ง่วงนอนเท่านั้นเองคแต่เราถ้าเราไม่เอาไปภาวนามันก็เราจะกินมื้อเดียวตอนเย็นก็ได้อย่างศาสนาเชลามเขาถือศีลอดเขาก็จะอดกันทั้งวันแล้วก็ไปกินอาหารเย็นอันนี้ก็เป็นการปามกิเลสปามความอยากทางลิ้นทางตา หนูแค่หัดทําก่อนคะ่ะทีนี้เนี่ยอย่างนอนบนที่นอนเนี่ยหนูก็ทําความเข้าใจว่าเมื่อนอนในที่นอนที่มันไม่นุ่มไม่สบายเนี่ยมันก็จะมีการรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวหนูก็แค่ว่ารู้สึกตัวบ่อยๆเท่านั้นเองอันนี้ไม่ถูกหรอกที่นอนบนที่นอนแข็งๆจะได้นอนไม่นานมันนอนไม่สบาย ปูเสื่อนอนอ่พอร่างกายมันได้พักผ่อนพอมันตื่นขึ้นมามันก็จะไม่อยากจะนอนต่อถ้านอนมันฟุกงน่ะะมันมันพักผ่อนพอแล้วร่างกายแต่ใจมันไม่พอมันจะนอนต่อเพราะมันสบายเวลามันนอนต่อมันก็รู้สึกว่ามันจะนอนต่อเพราะถ้ามันสบายมันก็จะนอนต่อถ้ามันไม่สบายมันก็จะไม่อยากจะนอนต่อทีนี้เนี่ยการ การดูหนังดูละครในตอนเย็นหรือตอนไหนๆตลอดทั้งวันเนี่ยหนูก็ไม่ได้เอาใจใส่แต่ว่าการอยู่ในครอบครัวเนี่ยบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ก็ร่วมบ้างแต่ก็ไม่ได้สนใจเอาเป็นเรื่องสำคัญได้ไหมคะ ถ้าร่วมมันก็สําคัญจะมาอ้างว่าไม่สําคัญไม่ได้หรอกถ้ามันไม่สําคัญมันก็ต้องไม่ร่วมเลยมันหลอกเราเมื่อกี้เลยมันฉลาดแม่ไม่สําคัญแต่ขอร่วมทั้งหน่อยเนะีไม่ได้หรอกกิเลสมันหลอกเรามันหลอกเราถ้าไม่สําคัญก็ต้องอย่าไปร่วมเลยให้หายไปเลยหรอคะ เ, อเลิกไปเลยอย่าไปร่วมกันนอนหลับกันช่วงที่ถือศีลแปดเนี่ยทีนี้เนี่ยนหนูว่าหนูก็ถือทุกวันทุกวันแต่ว่าอย่างนี้ค่ะ ก็ไม่ได้ก็เอาแค่เจ็ก่อนก็ได้สินเจ็ก่อนก็ได้ยังดีกว่าสินห้าถ้าสินแปดไม่ได้เราเจ็ดก่อนถ้าเจ็ไม่ได้ก็เอาหก่อนก็ได้หนูก็นับแบบนั้นนะคะค่อยๆดูแล้วค่อยๆก้าวไปค่อยๆเพิ่มไปค่อยๆปรับปรุงในแต่ละข้อใช่เหมือนวิ่งมาราธอนเนี่ยตอนแรกเรเอาแค่ห้ากิโลก่อนแล้วเดี๋ยวก็เอาสิบกิโลไม่ใช่ปรับเปล่จะเอามันเต็มร้อยเลยมันไม่ได้หรอกกาลังไม่พอไม่งั้นก็เดี๋ยว ก็จะโดนตําหนิคนรอบข้างก็จะมองเอาไว้ตอนที่เราไปอยู่คนเดียวเราจะได้รักษาได้เต็มที่ <G ül üş> หนูก็หัดอยู่คนเดียวแล้วค่ะ <G ül üş> เอนะนะเวลา น, น, นั้นก็รักษาได้โดยอัตโนมัติไม่ต้อง <G ül üş> ร่วมกับใครค <G ül üş> ท, ท, ทีนี้เนี่ยเรื่องเรื่องภาวนาเนี่ยของหนูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหนูก็อยากบรรลุค่ะภาวนาหมดทุกอย่างเลยที่เอ่ยม า, <G ül üş> าไม่ว่าจะเป็นพุโทโธหรือไปสระนาคมมันก็มันก็ได้นะครับพราวอาจารย์ มันก็ได้แต่ว่าไอ้การที่ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วตอนหลังเนี่ยหนูก็มาหัดรู้สึกตัว ม, มันก็ได้อะคะ่ะทีนี้เนี่ยมันเยอะเข้ามันก็เลยทําให้หนูเนี่ยรู้สึกมันจะมั่วหรือเปล่าอะคะ่ะเอาเอาันหนึ่งดีกว่าอย่าไปจับปลาหลายมือจับปลาสองมือเลยจับปลา มือเดียวอจับปลาตัวเดียวสองมือ ด, ดีกว่าดีกวจับปลาสองตัวสองมือ ท, ทีนี้เนี่ยณนะเวลาปัจจุบันที่หนูได้ประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยก็คืออืมมันไม่ได้ลงอะไรเลยเพียงแต่ว่าในหนึ่งวันเนี่ยบางทีหนูก็รู้สึกตัวบางทีมันก็อยากภาวนาบางทีมันก็อยากอยู่เฉยเฉยบางทีมันก็อยากอยู่นิ่งๆเราอย่าปล่อยตามอารมณ์เราต้องบังคับให้มันภาวนาค่ะ มินั้นเดี๋ยวมันจะขี้เกียจมันจะไม่ภาวนาถ้าหนูหนูรู้สึกว่าคําภาวนาหนูหายไปอถ้ามันมาหายไปแล้วใจนิ่งก็ไม่เป็นไรอย่าให้มันฟุ้งซ่านอย่าให้มันเกิดความอยากขึ้นมาก็แล้วกันถ้าเกิดความอยากเกิดความฟุ้งซ่านนี่ต้องหยุดมันให้ได้ต้องภาวนา ห น, หนูเคยภาวนาจนเงียบเลยค่ะดีก็ทำบ่อยๆให้มันเป็นบ่อยๆ<ม>เอาแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนอเ็เริ่มมีเสียงรบกวนนะคนอยากจะกลับลนะกันนะก็เอาแค่นี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเท